ยี่านอภิยะตวัตถุว่าด้วยภิกษุโง่ไม่ฉลาดเรื่องอาจารย์โม่เขาข้อ82สมัยนั้นภิกษุทั้งหลายคิดว่าเรามีพรรษาครบสิบเรามีพรรษาครบสิบแต่เป็นผู้โง่เขลาไม่ฉลาดให้นิสัยปรากฏว่าอาจารย์เป็นผู้โง่เขลาอันเตวสิกเป็นบนดิตก็มีอาจารย์เป็นผู้ไม่ฉลาด อันเตวสิกเป็นผู้ฉลาดก็มีอาจารย์มีสุตาน้อยอันเตวสิกเป็นผู้หูสูตรก็มีอาจารย์มีปัญญาสามอันเตวสิกมีปัญญาดีก็มีบรรดาภิกษุผู้มีความมักน้อยพากันตำหนิประนามโพนทนาว่าชนัยภิกษุทั้งหลายจึงได้อ้างว่าเรามีปัญษาครบสิบเรามีปัญษาครบสิบแต่เป็นผู้โมฆเขาไม่ฉลาดให้นิสัยปรากฏว่า อาจารย์เป็นผู้โมฆะเขาอันเรวศิกย์เป็นบดิตก็มีอาจารย์เป็นผู้ไม่ฉลาดอันเรวศิก์เป็นผู้ฉลาดก็มีอาจารย์มีสุตาน้อยอันเรวศิกย์เป็นผู้หูสูดก็มีอาจารย์มีปัญญาสามอันเรวศิกยมีปัญญาดีก็มีจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบทรงสอบถามพระผู้มีพระภาคทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายว่า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 ไม่พึงให้นิสัยรูปใดให้ต้องอาบัตทุกกฎภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ภิกษุผู้ฉลาดสามารถพึงมีพรรษาครบสิบหรือมีพรรษาเกินสิบให้นิสัยได้ผ่านอัพยะตะวัตถุจบ